สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นส ม, มถธที่ถีได้อ่านโดยพระมาหาใบบณ์อาพิปุนโนในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตร ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิหรือจักรวัตติสูตรเป็นรา่อที่พระพุทธเจ้าประลุการที่ให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งชึวได้อธิบายเรื่องของความที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้กาเพราะว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งเหมือนกันจนกระทั่งถึงความเสื่อมไปของพระเจ้าจักรพรรดิ อายุมนุษย์ก็ถอยลงถอยลงแล้วก็ยังต้อมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งจนกระทั่งถึงสมัยที่อายุมนุษย์เสื่อมไปจนเหลือแค่สิบปีจุดนั้นก็ยังต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งจนกระทั่งถึงสมัยที่มนุษย์รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยเรื่อยจนอายุมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรามาตราสรู้ ก็ยังต้องมีทำเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งอีกเหมือนเดิมขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิจักรวัตรติสูตรที่กานิไกเล่มที่สามข้อที่แปสิบมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระบาฐประทับอยู่นะเมืองมาตุลา ในแคว้นมหากฎในที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสให้โอวาท ด, ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด ก็ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีทำเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างไรคือเจอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตและเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอพิ ช, ชาคือความพอใจและโทมนัสในโลกออกเสียได้ก็ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีทำเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเธอาทั้งหลายจงประพฤติ ธ, ธรรมนั้นเป็นโคโจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนเมื่อเจอาทั้งหลายประพฤติธรรมอันเป็นโคโจรซึ่งเป็นวิสัย อันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนมันจะไม่ได้อกาสมันจะไม่ได้อารมณ์พิกสุตหลายบุญนี้ย่อมเจริญขึ้นอย่างนี้เพราะการสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุเรื่องพระเจ้าทานเนมิภิกษุตหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพระเจ้าจั ก, กรพรรดิประนามว่า ท่านฮะเนมิผู้ทรงธรรมกราวดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชาณาจาักมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก่เจตปรการได้แก่จักแก้วจางแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วก็ระบดีแก้ว ปรีณาโยกแกว้วมีพระราชโอรสมากกว่าหนึ่งพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตย์สามารถย่ำยีราชสตรุได้โปร่งชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตรากราบกลองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ภิกษุต่อไหล่ก็กระ น, นั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้าทตนะเนมิจึงรับสั่งเรียกราชบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่าบุรุษผู้เจริญก็ถ้าท่านเห็นจากแก้วอันเป็นทิพถอยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแก่เราทันทีนะราชบุรุษนั้น ทูลรับสนองาระดำรัสแล้วก็เมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีปราชบรุรนั้นได้เห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์ไต้เคลื่อนจากที่ตั้งจึงเข้าไปเฝ้าดาวเถอถึงที่ประทับแล้วกราบทูลกับพระเจ้าทันเนมิดังนี้ว่าขอิชาข้าแต่มหาราช ขวบรงทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วนับแตนั้นท้าเธอจึงรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นราชโอรสองค์ใหญ่มาแล้วสั่งว่าลูกเอ๋ยทราบว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วก็พ่อได้ยินมาว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ ของพระเจ้าจักร พ, พรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้งบัด น, นั้นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานก็การทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วบัด น, นี้เป็นเวลาที่พ่อจะสแสวงหาการทั้งหลายอันเป็นทิพมาเถอะลูกเอ๋ยลูกจงปกครองแผ่นดิน มันมีมหาสมุดเป็นขอบเขตนี้ส่วนพ่อจกนผมและนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวยเป็นบรรพชิตพิสุตหลายครันแระเจ้าตันฮาเนมิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้ ว, ลวก็ส่งคนพระเกศาและพระมัสสุ ทงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวางังมนวดเป็นบนรรพชิตเมื่อพระราชาฤาษีประนวดได้เจ็ดบัรจกแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันธรฐานหายไปกระนั้น ร, ราชบุุษคนหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้ากระสัตริยาธิราชผู้ดได้รับบตรถานพิเศษคือพระราชโอรส ความพระชจ้าตระหนักใมิคที่ขึ้นเป็นพระราชาใหม่ก็ไปเฝ้าถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าขอริชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตระทานหายไปแล้วขณะนั้นเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์นันตระทานหายไปแล้วเธอสรงเสียพระไทย ทรงแสดงความเสียพระไถยให้ปรากฏจึงเสด็จเข้าไปหาพระราชาฤาษีคือเสด็จพ่อถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่ากฤิชัดองค์โปรดทราบเถิดว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตราานหายไปแล้วพระราชาฤาษีจึงตรัสว่าลูกหลักเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตราานไปแล้ว เจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความเศร้าโศกให้ปรากฏเลยด้วยว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่เป็นทรัพสมบัติที่เป็นประดกสืบมาจากบิดาของเจ้าก็หาไม่ขอให้ลูก ป, ประพฤติจากวติวัตอันประเสริฐข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลคือเมื่อลูก ป, ประพฤติจากวัติวัตอั น, นประเสริฐสนานพระเศียร ในวันอุโบสถ15บหาคำ่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนของปราสาทหลังงามจักปรากฏมีจากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกำหนึ่งพันสี่พร้อมด้วยกลงและดุมมีส่วนประกอบครบทุกอย่างตอนจักรวั ด, ดิีวัดอันประเสริฐก็จักรวัติี่วัดอันประเสริฐเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าลูกเอ๋ย เธอจงอาศัยธรรมะเท่านั้นสักการะธรรมะกรกธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้ำธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นใหญ่จงจัด ก, การรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในกำลังพลพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จรามและกระบดี ชาวนิคมและชาวชนบทสมณพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมการกระทำสิ่งที่ผิดแบบแผนอยาได้เป็นไปในแว่นแวลนของลูกหนึ่งบุคคลเหล่าใดในแว่นแวลนของลูกไม่มีทัพย์ลูกจึงให้ทราบแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดในแว่นแกลนของลูก ผู้เบญขกาจากความมัวเมาและความประมาทตั้งมั่นอยู่ในขันติคือความอดทนและโสระจะคือความสงบเสงี่ยมฝึกตนสงบตนให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียวลูกพึงเข้าไปหาสมรรหมเหล่านั้นตามการอันควรแล้วไต่ถามสอบถามบ่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่าอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่แล้วพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานรัณลูกได้ฟังจากสมณพราม์เหล่านั้นแล้วจึงได้เป็นอกุศล พึ่งแล้วเป็นสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นกุศลพึ่งยึดถือประพฤติสิ่งนั้นให้มั่นลูกเอ๋ยจักวัตถิวัตอันประเสริญนั้นเป็นอย่างนี้แลการปรากฏของจักแก้วพิษุตนหายกษัตริย์ธิรราชผู้ได้รับมุตตาวิเศษใหม่รับสนองมรดธรรรั ฐ, รฐของพระราชาฤาษีนั้นแล้ว ทรงประพฤติจักวัติวัตฏอันประเสริฐเมื่อเท้าวเธอทรงประพฤติจักวัติวัตรอั น, รอ น, นประเสริฐอยู่สนานพระเสียรในวันอุโบสถ15บหาคำ่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นปราสาทหลังงามก็ปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีคำหนึ่งพันสี่พร้อมด้วยกงและดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง เมื่อกรสัตถิยาธิราชผู้ดได้รับมือรัาพิเศษต่อประเนตเห็นแล้วชงมีความนําหรึว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่ากษัตถียาธิราชพระองค์ใดผู้ได้รับมือรัาพิเศษแล้วส่งสนานพระเสียนในวันอุโบสถ15บาคำ่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนของประสาทลังงามจะปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์ ซึ่งมีกามหนึ่งปันซี่พร้อมด้วยกลงและดุมมีส่วนป ร, ระกอบครบทุกอย่างกษัตริย์ที่ราบโปร่งนั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราคงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกระมังลำดับนั้นเจ้าเธอทรงลุกจากที่ประทับทรงพระภู้สาช่วเบียงบาพระหัตสายทรงจับพระเต้าทองพระหัตขวาทรงชูจากแก้วขึ้น แล้วตรัสบ่าจกแก้อันประเสริฐจงหมุนไปจงได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตั้ใดนั้นจะแก้หมุนไปทางทิศตะวันออกเท้าเธอพร้อมด้วยเสยนาทั้งสี่ือจะตุรงที่มนีเสนาคือกองผลช้างกองผลมากองผลรถและผลดาดาวก็ได้เสด็จตามไปเสด็จ เข้าปรกแรมพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ในประเทศที่จักแก้วอันบินทิพนั้นหยุดอยู่ก็ประราชาตัทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิพย์ตบนอบ ก, ก็พากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทุนว่าขอเดชะมหาราชเจ้าประงโปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชาสมบัติของหม่อมฉัน เป็นของพระองค์โรดประทานพระราชว่วาเถิดพระชชคลาภเถ้าเถิดจึงตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกรรมไม่พึงพูดคำเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงกรองราชสมบัติตามเดิมเถิด่อพระราชาทั้งหลาย ที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นกลับออนน้อมต่อเทาาเธอพิกสถหลายจากนั้นจากแก้วก็หมุนไปยังมหาสมุทรทางด้านทิตะวันออกแล้วกลับเวียนไปทางทิศใต้หมุนไปยังมหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วกลับเวียนไปทางทิศตะ ว, ว, วันตกจากแก้วหมุนไปยังมหาสมุทร ทางทิศตะวันตกแล้วกลับเวียนไปทางทิศเหนือดาวเธอพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ก็ได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพระแรมพร้อมด้วยเจตุรงขี่นีเสนาในประเทศที่จกแก้วอันเป็นทิพย์หยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิบัติในทางทิศเหนือ ก็พากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบถูนอย่างนี้ว่าขอเถดช้ามหาราชพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดพระราชทานพระราช า, รร า, ชาช ว, ว่าเถิดพระเจ้าค่าแต่เธอจึงตรัสจังว่าพวกท่านไม่พึงฆาสัตวไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงเปิดปิดในกามไม่พึงพูดคำเทศไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงกรองราชสมบัติตามเดิมเถิดประชาชนทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทางทิศใต้ทิ่ตะวันตกและทิศเหนือเหล่านั้นกราบออนน้อมต่อเท้าเถอดกระนั้นจะแก้วได้ปราบปรามแผ่นดิน มีมหาสมตุตรเป็นความเขยย่งราบคาบและหมุนกลับมายังราชธานีปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิที่รัฐวานภายในพระราชวังณหน้ามุขที่ทรงวินิจฉัยราชกิจทำภายในพระราชวังของเท้าเธอให้สว่างไสวเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สองเป็นต้นไปภิกษุตั้งหาย แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สองแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สามแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สี่แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ห้าแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่หกแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่เจ็ดเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีก็ได้รับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาแล้วรัฐบ่า รผู้เชิญในขณะที่ท่านเห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์ต่อยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแก่เราทันทีนะก็เมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีราชบุุษนั้นได้เห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์อยเคลื่อนจากที่ตั้งบุุษนั้นจึงรีบไปเฝ้าท้าเธอถึงที่ประทับ แล้วได้กราบูลนเรื่องนั้นลำลบนั้นท้าวเธอจึงรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นพระราโชรถองค์ใหญ่แล้วตรัสสั่งว่าลูกเอ๋ยทราบว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วก็พ่อได้ยินมาว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง และบัดนั้นพระเจ้าจั ก, กรพรรดนั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานการทั้งหลายมันเป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะสวงหาการทั้งหลายอันเป็นทิพมาเถิดลูกเ อ, อย๋ยลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตส่วนพ่อจะโกนผมและนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตครรนพระเจ้าเจ้กระพัดทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการกรองราชเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งปรงพระเกษาและมัตสุกรองผ้าย้อมน้ำฝาดเสด็จออกจากพระราชวังพนวยเป็นบรรพชิต เมื่อพระราชาฤาษีบวชได้เจ็ดวันจากแก้วอันเป็นทิพย์ก็ได้อันตรธ า, านไปพริศถลายกรานั้นร่างจุบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตราที่ราชผู้ได้รับมรรตาพิเศษถึงที่ประทับได้กราบทุนว่าขอเดชะก่อพระองค์ทรงทรงาบเถิดว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธ า, านไปแล้ว ขณะนั้นเมื่อจะแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปเท้าเธอก็เสียพระไทยทรงแสดงความเสียพระไทยให้ปรากฏแต่ไม่ได้เสด็จไปหาพระราชาฤาษีทูลถามถึงจักรวัติวัดอันประเสริฐในยะว่าเท้าเธอปกครองประชาราชตามมติของพระองค์เอง เมื่อเท้าเธอปกครองประชารชนตามมติของพระองค์เองอยู่ประชารชานก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อนเหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติจกกักรวติวัฒน์อันประเสริฐอยู่กระนั้นข้าราชการข้าราชบริพารโฮราจาร์มหามาตแม่ทัพนายกอง พระราชองครักษองค์ขมนตรีได้ประชุมกราบทูลแก่เท้าเธอดังนี้ว่าก็ดีชับทราบว่าเมื่อพระองค์ทรงบกกรองจนบทตามมติของพระองค์เองประชาราชนก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อนเหมือนเมื่อกรตรายพระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติจั ก, กวัติวัดอันประเสริฐู่พระชก้าวในแว่นแคว้นของพระองค์ มีข้าราชการข้าราชบริพารหัวราชานและมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองค์กรองค์ ม, มนตรีอยู่พร้อมทีเดียวข้าพระองค์ทั้งหลายและประช า, าชนเหล่าอื่นจดจำจักรวัติวัตอันประเสริฐได้อยู่ขอพระองค์โปรดตรัสถามถึงจักรวัติวัตอันประเสริฐเถิพระองค์ตรัสถามแล้ว พวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะกราบทูลจักรวัติวัตอันประเสริฐวายเรื่องความเสื่อมแห่งอายุและวรณนะพิสุตลายลำดับนั้นท้าวเธอโปรดให้ประชุมข้าราชการข้าราชบริพ า, า, ารหราจานและมหามาตแม่ทัพนกองราชองค์กรักองค์คมมุนตรีรัฐ ถามถึงจักรวัติวัดอันรประเสริฐพวกเขาจึงกราบทูลจักรวัติวัดอันประเสริฐแก่เท้าเธอเท้าเธอได้ฟังคำตอบบังคมทูลแล้วจึงทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมแต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์เมื่อไม่พระราชทานทรัพย์ แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนจึงแปรหลายเมื่อความขัดสนแปร่หลายบุรุษคนหนึ่งจึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยประชาชนช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วนั้นไปถวายแก่เท้าเธอด้วยกราบทูลว่าขอเดชะก็แต่มาราชบุรุษคนนี้ ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วท้าวเธอจึงตรัสถามบุรินั้นบ่าทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจริงหรือเพราะนั้นจึงประชกคา่ะเพราะเห็นไรหรือเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพทาวเธอจึงพระราชทานทรัพย์ ให้แก่เขาแล้วสั่งว่าพ่อคุณเธอจงเลี้ยงชีพจงเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณาในสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ทำให้มีผลสูงยิ่งขึ้นไปที่เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยสับนี้เธดิด เขาจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วแม้บรุษิคนหนึ่งก็ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงกโมยคนหลางหลายก็ช่วยกันจับเขาแล้วนำไปถวายแก่เท้าเธอด้วยกราบทูลว่าขอเดชะแต้ฝ่าลองทุดีพระบาทบรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแหงโมยท้าวเธอจึงถามว่าพระคุณได้ยินว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมยจริงหรือเพราะนั้นจึงรประชาชฆ่าเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพเ้าวเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งว่าพระคุณเธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงมารดาบิดาจงเลี้ยงบุตรภรรยาจงประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษีนาในสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ทำให้มีผลสูงขึ้นไปเป็นใบเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยซับนี้เถิดเขาจึงดุนรับสุลองประดำรัสนั้นพิศุต้หลายก็คนทั้งหลายได้ฟังมาว่า ท่านผู้เจริญได้ทราบว่าคนถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยพระเจ้าแผ่นดินยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกคนทั้งหลายจึงพากันคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีแม้พวกเราก็ควรถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยบ้างดังแบบนั้นบุรุษคนหนึ่ง จึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยคนทั้งหลายจึงจับบุรุษนั้นแล้วนําไปถบายแก่เ ท, เท้าเธอด้วยกราบทูลว่าขอได้ชัแต่มหาราชบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเท้าเธอจึงได้ถามว่าเพราะคุณได้ทราบว่า เธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมยจริงหรือควานั้นจริงพระโชกฆ่าความนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพลำดับนั้นเท้าเธอจึงทรงประดมริขึ้นดังนี้ว่าถ้าเราจะให้ทรัพย์แก่คนที่ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมยอตินนาทาน คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นี้จะแพร่หลายขึ้นด้วยประการอย่างนี้ทางที่ดีเราควรให้คุมตัวบุุษนี้อย่างแข็งขันแล้วตัดต้นคอตัดสีสษะของบุุษนั้นเสียท้าวเธอจึงทรงสั่งบังคั บ, บราชบุรุรทั้งหลายว่าแนบพนายถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้เชือกเหนียว มัดบรุษนี้ใพร่หลังอย่างเน่นหนาแล้วโกนผมนำตรีนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแหว่งบรรดอตคือกลางที่มีเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้จงคุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตรัดศีรษะบรุษนั้นเสียทางด้านทิศใต้แห่งพระนครราชบรุษทั้งหลาย ทูนรับสนองพระดำรัดแล้วจึงใช้เชือกเหนียวมัดบรุษนั้นเอาแขนไพร่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอบพร้อมกับแกว่งบรรดอกเสียงดังน่ากลัวน้ำออกตามประตูด้านทิ่ใต้คุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตตัดศีรษะบรุษนั้น ทางด้านที่ใต้แห่งพระนครภิกษุตรหลายก็คนทั้งหลายได้ฟังว่าท่านผู้เจริญทราบว่าพระพเจ้าแผ่นดินได้คุมตัวคนผู้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ดยการแห่งขโมยอย่างแข็งขันตัดต้นคอตัดศีรษะของเขาเสียคนได้ฟังแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ทางที่ดีแม้พวกเราก็ควรให้ช่างทำศาสตราอย่างคมคมแล้วจับคนที่ไม่ให้สิ่งของแก่พวกเราถือเอาโดยอาการแห่งขโมยคุมตัวไว้อย่างแข็งขันจากประหารชีวิตตัดศีรษะของพวกมัญเสียพวกเขาจึงให้ช่างทำศาสตราอันคมแล้วจึงเริ่มทำการปล้นบ้านนิคมพรณนคร ร่นตามถนนหนทางจับคนที่ไม่ให้สิ่งของที่พวกตนถือเอาโดยอาการเห็งขโมยคุมตัวอย่างแข็งขันประหารชีวิตตัดศีรษะของบุคคลเหล่านั้นเสียภิกษุตหลายด้วยประการดังที่กล่ามานี้เมื่อพระมาหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอธินาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินาทานแพร่หลายการใช้ศาตราก็แพร่หลายเมื่อการใช้ศาตราแพร่หลายการฆ่าสัตว์คือปาณาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปาณาติบาตแพร่หลายคนทั้งหลาย กม่มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันหน้าเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันหน้าเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข8 0แปดหมื่นปีก็มีอายุไขลดลงเหลือสี่0มืนปีในเมื่อมนุษย์มีอายุไข4 0สี่มืนปีบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ ด้วยอาการเห็นขโมยพวกเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนำไปถวายแก่กษัตริตตระธิราชผู้ได้รับมรดภาพิเศษแล้วกราบทูลว่าขอริชชัปบรุษผู้นี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการเห็นขโมยเมื่อเขากราบทูลอย่างนี้ท้าวเธอจึงตรัสตามบรุษนั้นว่าเพราะุน ได้ทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการในขโมยจริงหรือบุรุษนั้นได้กราบทูลคำเทศทั้งที่รู้อยู่กราบทูลว่าไม่จริงเลยพระเา ข, ข้าพิสุตนลอยด้วยประการดังพัฒ น, นามานีเมื่อพระมหากษัต์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอทินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออทินนาทานแพร่หลายสาตราก็แพร่หลายเมื่อสตราแพร่หลายปานาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปานาติบาตแพร่หลายมูสาวาตคือการพูดเทจก็แพร่หลาย เมื่อมูสาวานแปรหลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันนะาเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวันนะาเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไขสี่หมื่นปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือสองหมืนปีกว่าในเมื่อมนุษย์มีอายุไขสองหมื่นปีบุตรคนหนึ่ง ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยบุุษอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับบุรุษตาพิเศษแล้วว่าขรด้ชักก็แต่มหาราชบุุษผู้นี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยชื่อว่าได้กระทาการส่อเสียดปิกสุตหลายด้วย ประการดังพันนามนมณีเมื่อพระมาหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แปรหลายเมื่อความขัดสนแปรหลายอตินนาทานก็แปรหลายเมื่ออตินนาทานแปรหลายสัตราก็แปรหลายเมื่อสัตราแปรหลายปานาธิบาทก็แปรหลาย เมื่อปานาติบาตแปร่หลายมูสาวาทก็แพร่หลายเมื่อมูสาวาทแปร่หลายปิสุณวาชาคือการพูดส่อเสียดคือการพูดยุยงให้แต่กันก็แปร่หลายเมื่อการพูดยุยงให้แต่กันแปร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันน่เสื่อมถอยบาง เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยลงมีวันณะเสื่อมถอยลงบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไขย 20, ัยสองมืนปีก็มีอายุไขลดลงเหลือเพียงหนึ่งมืนปีขณในเมื่อมนุษย์มีอายุไขย 1, ัยหนึ่งมืปีมนุษย์บางพวกก็มีวันณะดีในบางพวกมีวันณะไม่ดีพวกที่มีวันณะไม่ดี ก็เพ่งเล็งพวกที่มีวันน้าดีประพฤติร่วงละเมิดในภระยาของคนอืนภิกษุตลายด้วยประการดังกล่ามานี้เมื่อพระมาหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายะทินาทานก็แพร่หลาย เมื่ออาินท า, านแพร่หลายการมีสุมิชาจานก็แพร่หลายสาราก็แพร่หลายปานานติบาตก็แพร่หลายมุสาวาตก็แพร่หลายปิสุนาวาสคือการพูดจอดเสียดก็แพร่หลายการมีสุมิชาฌานคือการประพฤติผิดในกา ร, รมก็แพร่หลาย เมื่อกามเมสุขมิจชาจชาจั์แพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันนะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวันนะเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 1, ัยหนึ่งหมปีก็มีอายุไขลดลงเหลือ5 0า0ันปีภิกษุตลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข5 0 0 0าปี ธรรมะสองประการคือการพูดคำหยาบปรุาษวาสและการพูดเปอร์เจอร์คือสัมผปลาปะก็ออกแพร่หลายเมื่อธรรมะสองอย่างคือคำหยาบและการพูดเปอร์เจอร์แพรหลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสืออนนเส่อมถอยบ้างมีวรนน่เสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอย มีมนัสเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 5,000 ปีบางพวกก็มีอายุไขลดลงเหลือ 2,500 ปีบางพวกก็มีอายุไขลดลงเหลือ 2,000 ปีภิกษุตัหลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 2,500 ปีกับพิจาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา ความพยาบาทคือความคิดร้ายก็แปร่หลายเมื่อความเพ่งเลงและความพยาบาทแปรหลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสืออนนเส่อมถอยบางมีวันน้าเสื่อมถอยบางเมื่อพวกเขามีอายุเสืออนนเส่อมถอยมีวันน้าเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข2 5 0 0ปีก็มีอายุไขลดลง เหลือ 1,000 ปีภิกษุทัหลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 1, ัยหนึ่งพันปีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก็แปร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิแปร่หลายคนทั้งหลายก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันหน้เสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวันหน้เสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ ที่มีอายุไข 1, ัยหนึ่งพปีก็มีอายุไขลดลงเหลือห้าร้อยปีพิสุตตลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข5ยห้าร้ยปีทำสามประการคืออธรรมราคะคือความกำหนัดที่ผิดธรรมวิสมาโลภคือความโลภจัดและมิจฉาธรรมคือความกำหนัดผิดธรรมชาติ ก็แปรหลายเมื่อทำสามประการแปรหลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสืออนนเส่อมถอยบ้างมีวันน้าเสื่อมถอยบางเมื่อพวกเขามีอายุเสืออนนเส่อมถอยมีวันน้าเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไขห้าร้ยปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือหปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลง เหลือสองปีก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุข250หปีธรรมะเหล่านี้คือความไม่เกื้อกูลมารดาความไม่เกื้อกูลบิดาความไม่เกื้อกูลสมณะปรามและการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลายภิษุตต์ลายด้วยประการดังกล่ามานี้ เมื่อพระมาหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แปร่หลายเมื่อความขัดสนแพรหลายอาทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์มันชุกๆไม่ได้ให้ก็แพร่หลายเมื่ออาทินนาธานแปร่หลายซาตราคือการใช้อาวุธก็แพร่หลาย เมื่อสัตว์ปลาแพร่หลายปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ก็แพร่หลายเมื่อปานาติบาตแพร่หลายมุสาบาตคือการจงใจกล่าวเท็จก็แพร่หลายเมื่อมุสาบาตแพร่หลายการพูดยุยงให้แต่กันคือปีสุณวาจาก็แพร่หลายเมื่อการพูดยุยงให้แต่กันแพร่หลาย การประพฤติิดในการคือการีสุมิชาจาร์ก็แพร่หลายเมื่อการเมสุมิชาจาร์แพร่หลายธรรมะสองประการคือการกล่าวคำหยาบและการพูดเบอร์เจอร์คือปรุสวาสและสัมผปลาปะก็แพร่หลายเมื่อธรรมะสองประการแพร่หลายความเพ่งเล็งและความปยาบาทก็แพร่หลาย เมื่อความเพ่งเล็งและความพยาบายแพร่หลายมิจฉาทิฏฐิก็แปร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิแปรหลายธมะสามประการคือความกำหนัดที่ผิดอัตมราคะความโลภจัดวิสมะโลภะและความกำหนัดผิดธรรมชาติคือมิจฉาธรรมะก็แปร่หลายเมื่อทำสามประการแปร่หลาย ทำเหล่านี้คือความไม่เกื้อกูลต่อมารดาบิดาไม่เกื้อกูลต่อสมณ ร, รามและการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลายเมื่อธรรมะเหล่านี้แปร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันน้เสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยอยู่มีวันน้เสื่อมถอยอยู่บุต ของมนุษย์ที่มีอายุข250อปีก็มีอายุไขลดลงเหลือ100ปีพิกษุตหไายจะมีสมัยที่บุตรของมนุษย์เหล่านี้มีอายุไข10สบปีในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10สบปีเด็กหญิงห้าปีก็มีสามีได้ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10สิบปี รเหล่านี้คือในใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเหลือจะอันตรทานไปสิ้นในเมื่อมนุษย์มีอายุไขสิบปียญา ก, กับแกจะเป็นอาหารอย่างดีก็ข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นอาหารอย่างดีในปัจบันนี้ฉันใด ในเมื่อมนุษย์มีอายุไขัยสิบปีหญ้ากับแก้จะเป็นอาหารอย่างดีฉะนั้นก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไขัยสิบปีกุศลกรรมบด10บอย่างจะอันตระธานไปหมดสิน้สนอ่กุศลกรรมบด10บอย่างจะเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไขัยสิบปี แม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จะไม่มีและคนที่ทำกุศลจะมีแต่ที่ไหนในเมื่อมนุษย์มีอายุขัสิบปีมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เกือกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกือกูลสมณพราหมณ์และไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็จะได้รับการบูชา และได้รับการสรรเสริญพิสดรหลายคนที่เกื้อกูลมารดาบิดาสมรพรารมและประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญในบัดนี้ฉันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุไขัยสิบปีมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เกื้อกูลมารดาบิดา ไม no t T ่เกื้อกูลสมณพราหมณ์ไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็จะได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญจากนั้นวันในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุไข10สิบปีพวกเขาจะไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่าผู้นี้เป็นแม่ว่าเป็นป้าเป็นน้าเป็นป้าสะภ้ยน้าสะั้ย หรือว่าภรรยาของอาจารย์หรือว่าปรรยาของครูสัตว์โลกจะถึงความสมสู่ปะปนกันเป็นเหมือนแพแกะไก่สุกรสุนักบ้านและสุนักทิ้งจอกชนน์ในเมื่อมนุษย์มีอายุไขัยสิบปีมนุษย์เหล่านั้นจะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้า ความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า you mind, care, มารดากับบุตรก็ดีบุตรกับมารดาก็ดีบิดากับบุตรก็ดีบุตรกับบิดาก็ดีพี่น้องชายกับพ you ี่น้องสาวก็ดีพี่น้องสาวกับพี่น้องชายก็ดีจะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้า ความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าภิกษุทั้งหลายก็ในปรานเนื้อเห็นเนื้อเข้าเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าชันใดในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุไกิดสิบปี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 จะเกิดความอาฆาดอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าฉะนั้นพิสุทธิตะลายในสมัยเมื่อมนุษย์มีอายุไขัยสิบปีจะมีสัตว์ถันตะกับตลอดเจวันมนุษย์เหล่านั้นจะเกิดความเข้าใจในกันและกันว่าเป็นเนื้อ สตราทั้งหลายอันคมกริบจะปรากฏในมือของพวกเขาพวกเขาจะใช้สตราอันคมกริบฆ่ากันเองด้วยเข้าใจว่านี้เป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อกระนั้นมนุษย์เหล่านั้นบางพวกมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราอย่าฆ่าใครๆและใครใๆอย่าฆ่าพวกเราทางที่ดี เราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสมถุมพุ่มไม้ป่าไม้ <c oughs> กอกกลางแม่น้ำหรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีพพวกเราจึงพากันเข้าไปตามป่าหญ้าสมถุมพุ่มไม้ป่าไม้กอกกลางแม่น้ำหรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหาร เลีชีพอยู่ตลอดเจวันเมื่อล่วงไปเจ็วันพวกเขาพากันออกจากป่าหญ้าสมถุมผู้ไม้ป่าไม้กอกลางแม่น้ําหรือซอกเขาแล้วต่างสวมกอดกันละกันครับร่างปลอบใจกันในที่ประชุมนั้นว่าท่านผู้เชิญทั้งหลายเราพิ่เห็นกันแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่เราพบเห็นกันแล้ว ท่านยังมีชีวิตอยู่เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะภิกษุตลหลายก็ลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจึงปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราสูญสิ้นญาติมากมายเช่นนี้เพราะยึดถืออกุศลธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทำกุศลควรทำกุศลอย่างไรดี ทางที่ดีพวกเราควรงดเว้นจากปานาติบาคือการฆ่าสัตว์ควรสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้แล้วจึงพากันงดเว้นจากปานาติบาสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจึงเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวัรณาบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุอยู่ จเจริญด้วยวันน้อยู่บุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุเกิสิบปีจะมีอายุไกเพิ่มเป็น20สิปีลำดั บ, บ, บนั้นมนุษย์เหล่านั้นจึงปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราจเจริญด้วยอายุบ้างจเจริญด้วยวันน้บ้างพระสมถทานกุศลธรรมเป็นเหตุทังที่ดีพวกเราควรทำกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ควรทำกุศลธรรมอย่างไรบ้างพวกเราควรงดเว้นจากอธินาทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ควรงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมควรงดเว้นจากการพูดเท็จควรงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกรันควรงดเว้นจากการพูดคำหยาบควรงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อควรละความเพ่งเลงอยากได้ของเขา ควรละความคิดร้ายผู้อื่นควรละความเห็นผิดควรละธรรมะสามประการคืออาธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมะทางที่ดีเราควรเกื้อกูลมารดาบิดาควรเกื้อกูลสมณพราหมณ์และควรประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลควรสมาทานประพฤติคุโรธรรมนี้หนังนี้ พวกกัลลนั้นจึงได้เกื้อกูลมารดาบิดาสมณพราหมณ์และประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลสมมาทานประาฤติกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะสมมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจะเจริญด้วยอายุบ้างจะเจริญด้วยวันนาบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุและวันณาอยู่บุตรของมนุษย์ ที่มีอายุไข20ปีก็จะมีอายุไขเพิ่มเป็น40ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข40ปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็น80ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไข80ปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็น160ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไขย160ปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็น320ปี บุตรคอามนุษย์ที่มีอายุไข320ปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็น640ปีบุตรคอามนุษย์ผู้มีอายุไข640ปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็น 2,000 ปีบุตรความนุษย์ผู้มีอายุข 2,000 ปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็นส0่พปีบุตรคองมนุษย์ผู้มีอายุไขั0สีปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็น800พปี บุตรความมนุษย์ผู 90, 000, aluminum, 40, 000, 4, 000, hm. ้มีอายุไก800ดปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็นสองหมปีบุตรความมนุษย์ผู้มีอายุไก่สองหมปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็นสี่ห0ื่นปีบุตรความมนุษย์ผู้มีอายุไข่สี่หมปีจะมีอายุไขเพิ่มเป็น 80,000 ่นปีเมื่อมนุษย์มีอายุไข 80,000 ปีเยียวยิ้งมีอายุห้าร้อยปี จึงจะสมควรมีสามีได้ตอนความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะภิกษุตลไหเมื่อมนุษย์มีอายุข 8, ัยแปดมืปีจะมีอาพาธเพียงสามอย่างคือความหิวความอิ่มจนดึดอดและความชราเมื่อมนุษย์มีอายุขัยแ0ดมืปี ชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บ้านนิคมและรัชธานีมีทุกระยะชั่วไก่บินตกเมื่อมนุษย์มีอายุไขยแปดมืนปีชมพูทวีปนี้จะดูประหนึ่งอเวจีนรกที่แออัดยัดเยียดไปด้วยผู้คนทั้งหลายเหมือนป่าไมาอ้อ้อหรือป่าไม้แก่นฉะนั้น เม่มนุษย์มีอายุขัยแปดหมื่นปีกรุงพราณสีนี้จะเป็นราชธานีนามว่ากรุงเกตุมดีเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีพลเมืองมากมีประชากรคับข้างและมีพกษางารอุดมสมบูรณ์ก็เมื่อมนุษย์มีอายุแปดหมืนปีในชมบูทวีปนี้ จะมีเมือง8ปด0 0สพันเมืองมีกรุงเกตุมดีรัชธานีเป็นเมืองเอกเมื่อมนุษย์มีอายุขย 8, 000, ัยแ0ด0 0ปีจะมีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังฆะทรงอุบัติขึ้นณนะกรุงเกตุมดีรัชธานีเป็นผู้ทรงธรรมคราราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตได้รับใใชัยชนะมีราชอาณาจาักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการได้แก่ชกแก้วจางแก้วหมาแก้วม่นีแก้วนางแก้วกระดาบดีแก้วปรีนายกแก้วมีพระราโจรสมากกว่าหนึ่งพันองค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมปินวิรกษัตรสามารถย่ำยีราชสตรูได้โร่งส่งชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตรากราบกลางแผ่นดินมีผืนหมาสมุดเป็นขอบเขตตอนการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตรยะ พิสุตตะไเมื่อมนุษย์มีอายุไข่แปดมืนปีพระผู้มีพระบารพระนามบ่าเมตระยะจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นพระอรหันตตรัสรู้ด้วยพระองค์เองถึงพรามด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้ลอกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสรถีฝึก ผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้ า, าเป็นพระผู้มีพระภาคเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นในโลกในบัดนี้เป็นพระอรันตาสมาสมุทธะเจ้าเปียบพรามด้วยวิชาและจรณะเสะด็จไปดีกูรู้แจ้งโลกเป็นสถิถิฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ ยังยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคเมตรยะพระองค์นั้นจะทรงแสดงธรรมมีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางมีความงดงามในที่สุดพระกาศพระมาจัน พร้อมทั้งอัฏฐาและเพยียญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนเหมือนตถาคตในบัทนี้แสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศประมาจันพร้อมทั้งอัฏฐาและเพยียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนประองจะทรงบริหารภิกษุหลายพันรูปเหมือนตถาคตรบริหารภิกษุสองหลายรายรูป ในบัดนี้ฉะนั้นภิกษุทลายกระนั้นพระเจ้าสังขะจะรับสั่งให้ยกปราสาทที่พระเจ้ามหาปนาทะโปรดให้สร้างไว้แล้วประทับอยู่ทรงสละบำเพ็ญทานแย่สมณพราหมณ์คนกำมราคนเดินทางวันิพกและยาจกทั้งหลาย จะทรงปลงผมและหนวดทรงคลองผ้ายอมน้ำฝาดเสด็จออกจากพระราชวังบวดเป็นบรราชิตในสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันต์มมาสมพุทธเจ้าเมตระยะ้าวเต่ผนระหนดแล้วไม่นานอย่างนี้ทรงหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งประมจันที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่แท้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง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 ในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมบัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลก 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่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 เรื่องความเจริญด้วยอายุวันนะเป็นต้นของภิกษุภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนเมื่อเธอทั้งหลายประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนจะเจริญด้วยอายุบ้าง จะเจริญด้วยวันนาบางจะเจริญด้วยสุขบ้างจะเจริญด้วยโผกาบ้างจะเจริญด้วยพลาบ้างก็ในเรื่องอายุของภิกษุมีคําอธิบายอย่างไรคือเธอในกรณีนี้จเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะ และความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 2. เจริญอิทธิบาทมันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 3. เจริญอิทธิบาทมันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจากิตตะและความเพลี่ยนสร้างสรรค์ สี่จเจริญอิธิบาทนั้นประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์พระเจริญทำอิธิบาท4ประการนี้ให้มากเมื่อมุ่งหวังเธอจะพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับก็ในเรื่องวันนะของภิกษุ มีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสาร่วมด้วยการสังวรในปาฏิโมกเพียรปราบด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นไปในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นคำอธิบายในเรื่องบัรณัของภิกษุ ก็ในเรื่องความสุขของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้ประสาดจากกรรมและสงัดจากรรอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรมนมด้ยประสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงลุทุติยชาญเพราะความจางกลายไปแห่งปีติจึงบรรลุตติยชาญและเพราะลาสุขและแลาทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร่อนจึงบรรลุเจตุจฉาญภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นคําอธิบายในเรื่องความสุขความภิกษุภิกษุทั้งหลาย ก็ในเรื่องโกคาของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแพรไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่4เบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแพรไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยเมตตาจิตอันไพบู์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เธอมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแปลไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่าง ที่เฉียงแพ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานโดยอุเบกขาจิตอันไพบุ์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวณไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี่แหละเป็นกรอธิบายในเรื่องโภคของภิกษุภิกษุทั้งหลายก็ในเรื่องพละของภิกษุ มีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมะเวลานี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตมันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นคำอธิบายในเรื่องบัลลั์ของภิกษุ ก็เราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมานี้เลยบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลกรรมเป็นเหตุเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วพิสุรานั้นมีใจยินดีชื่นชมพภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหล่ ะที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจักวัตรดิสุดอ่านโดยพระมาหาภายบูณ์พอาภีปุณโ น, โนในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางพระสูดทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเชา้าห้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคส หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.co